ก็เลยวนรัดาคมเป็นวันสุดท้ายวันนี้ก็ขอแนะนำตอนจบของกรรมฐานเอวังก็มีตระการชนีในการจริยกรรมฐานในมากส่วนมากเข้าใจผิดว่าต้องเล่นฌานชำนาญในฌานโดยเฉพาะอันนี้ถ้าทำเฉพาะแบบนี้ก็เสียเวลามากเขาต้องหาจุดจบ ก่อนทุนเดิมที่เพื่อจะจบก็คือบารมีสิบให้บารมีสิบอย่างเขียนไว้ข้างที่นอนตื่นเช้าก็อ่านว่าบารมีสิบอย่างในวันนี้จะบกพ่ออะไรบ้างวันนี้เราจะทําให้เต็มนี่บารมีสิบถ้าเต็มจริงๆก็เปว่าอาหารถ้าเต็มไม่จริงนะเต็มมั่งไม่เต็มมั่งใช่ไหมยังพ้องๆอยู่ยังอ่อนอยู่ก็เป็นมระโสดาบัน เข้มแข็งเป็นนี้ก็เป็นสีทาคามีเข้มแข็งมากกับเป็นนาคามีเข้มแข็งที่ทสุดเต็ม ท, ที่สุดก็เป็นพระสารนั่นหมายความว่ามีสิ บ, บางอย่างเราสามารถทําได้แต่ว่าบางทีก็เผลอไปบ้างทําบ้างทํามากกว่าไม่ทําเราสามารถขอรักษาอย่างนี้สามารถเป็นประโสบดาบันได้ถ้าก่อนจะพูดเรื่องนี้ขอพูดเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นธรรมดาแต่พุทธริษัท ก็จงอย่าลืมอนาปาโนติกรรมฐานนี่ทางพระทุกวันเพราะสองคนมันลืมเมื่อกี้เนี่ยมันนั่งเถียงแล้วสลืมอ <c oughs> ามณ์ลมหายใจเขาออกลืมไม่ได้เพราะสมาธิจะมีขึ้นได้เพราะอาศัยลมหายใจเขาออกแต่การส่งลมหายใจเขาออกไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีถ้าส่งหายใจลมหายใจก็ออกดีสมาธิก็าทรงตัว แต่ดยเพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนามีกับเราอยู่เสมออย่ริืมว่าก่อนจะตายจะมีทุกขเวทนามากเวลานั้นแต่หากว่าเรา ส, สามารถทรงอานาปานสุติได้อย่างในน้อยแค่อุปจาระสมาธิทุกขเวทนาทั้งหมดจะบรรเทาลงประมาณห้าอร์ซ์ถ้าสามารถทรงอนาปานสุติได้ถึงฌานผสมม่ฌานเป็นต้น จะไม่ปรากฏทุกเวทนาเลยอาการจะไม่เจ็บไม่ปวดจะไม่มีการทดดุร น, นทุรายซึงอนาปันติคือเรไม่ใจเขาออกมีความจาเป็นต้องปฏิบัติแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแต่งคำภาษาที่บุตรพระษาที่บุตรตระกูลนทารีบุตบร ต, ดดร ต, ตถาคตเองก็เป็นผู้มากโดยอนาปันสติทั้งหมายความพระเจ้าเองก็ใช้อยู่เสมอและเมื่อเรามีร่างกายทุกเวทนาทุกเวทนามันก็มี เนต่ต่อต่อไปก็ใช้คำภรมนาควบคู่กันไปคำว่าคำภานาว่าอย่างไรก็ตามใจชอบถ้าไม่เคยปฏิบัติประกอบใ้ภาวนาว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทือให้ใจออกนึกว่าโธปนี้มาว่ากระทั่งจุดจงกรรมฐานและจะได้สมาธิขนาดไหนก็ตามไม่มีความสำคัญอย่างน้อยที่สุดแค่ปฐมฌาน คาว่าปฐมมชานเราต้องคิดว่าบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้เป็นธรรมดานะบางคราวเราสามารถทําถึงบางคราวสามารถไม่สามารถทําถึงอันนี้ก็ถือว่าได้คําว่าปฐมมชานเราสังเกตได้ง่ายๆว่าหนึ่งหูยังได้ยินเสียงทุกอย่างตามปกติเขาคุยกันบ้างเขาด่ากันบ้างเขาเถียงกันบ้างถ้าเข า, ลาเลองเรืงลามทำเล่กันบ้างเราได้ยินทั้งหมด ได้ยินทุกอย่างหูมันได้รับเสียงแต่ว่าจิตเราไม่นอยจะภาวนาเราสา ม, มารถทรงภาวนาได้ตามโอติอยานี้เป็นเป็นปฐมฌานแค่อรรารมณ์ปฐมฌานก็เป็นปะโสดาบันได้เพราะว่าปะโสาบาลบาลมันก็สิกขาคามีมีฌานไม่สูงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าปะโสดาบันก็ดีพระสิกขาคามีก็ดีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสิมบริสุทธ์ เอาสังโยชน์สามขึ้นมาเป็นตัวชี้ขาดสังโยชน์จะมีสิบข้อข้อที่หนึ่งสกายยะทิฐิข้อที่ 1, สองวิจิ ก, กิจฉาข้อที่ 2, าท 3, สามธนปฏาปรามาสคำว่าส ก, กายยตทิฏฐิเขาเโสดาบันยังใช้ปัญญาต่ำๆมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแค่นี้เอง ไม่มีใครสามารถจะรอดพ้นจากความตายไปได้ยังใช่ไม่สูงเขาตัดตัวเดียวขาอจริงเขาตัดตัวเดียวตัวนี้นะข้อที่สองวิจิตรอิจฉาเราไม่สงสัยในพระเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ข้อที่สามสิริปตะปารามาตทักษาสินเคร่งครัตทรงศินห้าบริสุทธิ์นี่ตามหลักสูตรหนังสือแต่หลักสูตรปฏิบัติ จิตที่ก่อนจะเข้าถึงวสโสดาบันจะต้องเข้าทรงโคตรภูญานก่อนคําว่าโคตรภูญาณในจิตระหว่างโล ก, กีกับโลกุกรตระโลกียะกับโลกุตระระหว่างกันหมายความว่าเราอยู่ฝั่งโล ก, กีจะข้ามไป โ, โลกุตระขาข้างหนึ่งยืนฝั่งนี้ข้างหนึ่งยืนฝั่งโน้นตอนนี้เขาเรียกว่าโคตรภูญานขณะที่จิตเข้าถึงโคตรภูญานเวลานั้นจิตต้องการมุทิภานอย่างเดียว ไม่ต้องการมนุษย์สิ้โลกเทวโลกตัวมนโลกเห็นว่ามนุษย์สิโ้โลกเทวโลกรูมนโลกนี่ไม่มีความสําคัญมีแต่ความทุกข์เราต้องการให้ผ่านจุดเดียวแล้วต่อจากนั้นไปอีกประเดียวเดียวถ้าเป็นสาวากภูมิอีพมันไม่ไม่เกินเจดวันประเดียวเดียวนะใชไม่เกินเจดวันก็เป็นปโสดาบันแต่ว่าถ้ามาจากพุทธภูมินี่พันรอบเป็นเดือนเลย โคตพูยานนี่นะล่อเป็นเดือนเอาละเอียดหมดเอาสัมผัสอารมณ์ต่างๆละเอียดหมดพอจิตเข้าถึงประโสดาปันบับอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นนั่นคือธรรมดาการกระทบกระทาั่งกระทั่งอะไรเข้าหน่อยก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดานัตถีโลเก น, นิโตคนไม่ถูกติณทานเลยไม่มีในโลกพระเจ้าบ่าอย่างนั้น เขาดาเขาว่าเขารู้สึกเป็นธรรมดาถ้าด่านอำหนักไม่ได้นะต้องส่งคืนไปบ้างรับเป็นไหวเอาแค่พอรับได้นะแต่ว่าชาลงความโกรธที่ชาลงความรักในระหว่างเพศ ช, ชาลงความรอยากได้หมดไปไอ้รอบสมัยที่อยากโกงเขาเนี่ยหมดไปอยากรวยมีอยู่ความอยากรำก่ำรวยยังมีแต่ว่ า, ว า, วาการร่วมร่ำรวยแ้วการโกงเขาขโมยเขานี่ไม่มีหมดไป ความหลงในชีวิตหมดไปแต่ว่ายัางไม่ทิ้งความสวยคือว่าหมดไปหมายความรู้สึกตัวว่าต้องตายถ้าจิตเรามีความรู้สึกวันหนึ่งชีวิตนี้ต้องตายคนทุกคนที่เราเห็นทั้งหมดตายหมดสาตุทุกตัวที่เราเห็นตายหมดไม่มีใครเหลือพระถุทท่าต่างๆก็มีสภาพพังหมดทั้งประการที่สอง เราไม่สงสัยในความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมในพระอริยสงฆ์ที่ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าสอนให้ทําความดีเพราะหนึ่งสัพปะปาปัสสะเกลังจนละความชั่วทุกอย่างสองกุศลสูบปสัส ม, มัาทาะจนทำในความดีสามเฟจิตตประโยชน์ประยช น, น์ทัปนังทำจิตใจผองใสใจกกิเลสเอตังพุธานศาสนางังท่านตว่าพระเจา้จาทุกองตัดอย่างนี้เหมือนกันหมด การที่พระเจ้าทรงสอนทำละความชั่วละความเดือดร้อนนั่นเองทําได้ความดีก็ทำเพื่อความสุขให้อยู่เป็นสุขถ้าจะทำจิตใจปลองสายใจกิเลสก็มีความสุขยิ่งขึ้นคือไม่ต้องเว้นว่าแต่เกิดต่อไปก็เราเลยไม่สงสัยในความดีของพระเจ้าคําสอนพระเจ้าเป็นพระธรรมแต่พระที่นําคําสอนมาเป็นประสงค์เราก็ไม่สงสัยทั้งสามอย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ถ้าต่อไปศีลปฏิปาปรามารก็ไม่ลบความศีลภาษาศีลห้าบริสุทธิ์คนอีข้างหนึ่งว่าประโสวดาบัญญัติอยู่ราคามีหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายตนการที่สองไม่สงสัยในความดีพระเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์และการที่สามมีศีลห้าบริสุทธิ์แต่กา ร, าารกาจริงประโสดาบัญนีติไม่มีเฉพาะศีลห้านะประสวดาบัญญัติมีสามชั้น สัตาตาคตงโกลังโกละเอกวิชีสัตตาสตุมในประสดาบันอย่างอ่อนมีเฉพาะสินห้าโกลังโกละกัเอกวิชีนี่มีกำหนดสิบด้วยทั้งสองอย่างนะโดยเฉพาะอย่างนงี้เอกวิชีนี่มีรมคล้ายปานณาคารสัตวาศีรษคาามีมากถ้าเกิดเป็นคนอีชาติเดียวก็เป็นไปนิพพานถ้าได ชาตินี้ถ้าใครตายไปถ้าเป็นพระโสดาบันกลับมเกิดใหม่ก็สวยเต็มทีเพราะว่ากลับนี้ยังมีพระเจ้ามาอีกหองค์ถ้าเป็นพระโสดาบันหรือเกิดเป็นพระโสดาบันในฟังเทค่ครั้งเดียวก็เบารัานเป็นเทวดาจะเป็นนางฟ้านะอันนั้นนี่จะจบขั้นที่หนึ่งคือการจริยนสมาธิต้องมุ่งอย่างนี้นะไม่ใช่เอาแต่สมาธิอย่างเดียวเอาแต่สมาธิอย่างเดียวก็ไม่หมดความกลุ้ม บางวันก็ดีบ้างบางวันก็ไม่ดีบ้างแล้วบางวันถ้าอ่อนไปหน่อยก็นึกเสียใจเพรสมาธิน้อยไปบางวันจิตใจเยือกเย็นดีก็ดีใจอันนี้ไม่ถูกที่ว่าไม่ถูกเพราะว่าสมาธิขึ้นกับร่างกายถ้าวันไหนร่างกายดีวันนั้นสมาธิก็ดีวันนั้นร่างกายสุดโทรมวันนั้นสมาธิก็ไม่ดีเธอแน่นอนไม่ได้เธอเอาสังโยชน์เป็นสำคัญวันหนึ่งเราลืมความตายหรือเปล่า สเรามีการปราโมทย์พระพุทธเจ้าทำประทานในพระสงฆ์ไหมพระสงฆ์เอาพระอริยรสงฆนะ์เป็นสาคัญนะให้ดิพิโสท่านเจาจะออาเฉพาะอริยรสงฆ์พระสดาสิตาคานาคารานันท่านไม่เอาสมตสมติส่์สมมติส่งนั่นไม่แน่ใช่ไหมทีบ้างชัวบ้างแล้วต่อไปเขาต้องเกตสินท่าบริสุทธิ์ไหมถ้าสินท่าบริสุทธิ์เป็นโสดาบันแน่ถ้าเป็นพระโสดนันท่าน ตตะขัดตรงแล้ว่าโกลังก็รักกับเอกวิชีก็มีกำหนดสิทธิ์ร่วมกำหนดสิทธกับสินห้าเห็นว่าพระโสดาบันไม่พูดเร็วยังนําวิสาขาก็รีนําเป็นในรทธีก็ดีไม่พูดเร็วแต่ยังโกรธนะอย่าลืมว่าพระโสดาบันยังมีความโกรธแต่ไม่ฆ่าใครไม่ละเมิดศินพระโสดาบันยังมีความรักต่ระวังเพศแต่ไม่นอกใจสามีปัญญา พระโสดาบันยังมีความต้องการความร่ำรวยแต่ไม่โกงใครพระโสดาบยังมีความหลงในความสวยสดงดงามแต่ไม่ลืมความตายแค่ดีเองไม่อยากเกินจริงได้แต่มันไม่ยากแต่เราติกว่ายากเราก็ต้องมองตัวตัวเองว่าก่อนจะหลับนึกว่าสัญญอดสามการวันนี้จะบกพร่องอะไรบ้างเห็นไหมต่อไปพระสกิทาคารีตัดสัญ ญ, ญเหมือนกันเท่ากันหมด แต่มิต่ใมิจิตใจเบาลงความรักในระหว่างเพศเบาบางมากมีความรู้สึกน้อยความอยากการร่ารวยมีความรู้สึกน้อยความโกรธเกือบไม่มีมีเมื่อนก่นเขาด่าวันนี้อีกสามวันนึกได้ว่ามันซึ่งมาด่าเราอยู่ว่าเขาด่าวันนี้นึกไม่ออก อย่ายิ้มได้ส บ, บายๆอีกสามที่วันนึกได้ก็อีวันนั้นมันด่ากูดีกว่าแม้มันไปนานแล้วแก้ตัวไม่ได้แล้วในประการที่สองความหลงพระการที่สามความหลงก็เหลือน้อยเต็มทีนั้นสำหรับพระสกิทาคามีนี่ถ้าอย่างละเอียดมันมีอย่างยากอย่ละเอียดถ้าอย่าละเอียดบางองค์เผลอว่าตนเองเป็นพระอรหันต์เป็นพระนาคามีเพราะอะไรไหมหนึ่งความรู้สึกในเพศไม่มี สองอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่มีมันมีการทรงตัวแต่ว่า น, านานไปบางทีมันโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งตีถูกตีหายไปนั่นยังไม่ใช่อนาคามียังเป็นสิกขาคามีอยู่ต่อไปต้งจะเข้าถึงยอนาคาเมีก็ต้องตัดทะญยอีกสองหนึ่งกรมะชันทะสองปฏิฆะกรมะชันทะนี่ตัดยากหน่อยเฉ่ว่าถ้าตายลำดับเข้าไปถ้ามาก็ไม่ยาก พอถึงสากิธาคามีก็มีรมเบาแล้วกามฉันทะก็ใช้อนาบใช้กรรมและใช้กรรมฐานคืออสุภกรรมฐานกับกายยะกตาโนสติอาสุภพรปลไม่สวยไม่งามากายยตาโนติให้ร่างกายทั้งของเราคนดีคนอือ่นดีไม่สวยไม่งามมันเต็มด้วยความโสโครกสุขบุตรมนน้ำเลือดตั้หลืองน้ำหนองเป็นต้นน้อยที่สุดอารมณ์ก ร, รมฉันทะก็ถูกตัดหายไป ต่อมาปฏิฆาอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ใช้พรมีฐารสี่แล้วก็สินสี่พมีฐารสี่คือหนึ่งหนึ่งความรักเมตตาความรักสงบนาความสงสารสามุคคีตาจิตอ่อนโยนสีเวคบขาความบางเฉยใช้อารมณ์นี้เป็นการทรงตัวหรือว่าใช้พรมีฐารสีไม่ถูกกัจจิชนตนก็ใช้กระสินสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งกสินที่แดงที่เหลืองที่เขียวที่ขาว อาชพาะอย่างใดยันหนึ่งเขาได้ทรงตัวไว้ก็สิ่งจะเข้ามาช่วยตัดโทสะความโกรธได้หายไปในเมื่อถึงอนาคามีแล้วความโกรธจริงๆไม่มีความรักในระหว่างเพศไม่มีแต่ความโกรธแบบนิ้วมียิ้วมันโกรธกันเะ็นหน้าฉากโอ้จะตีกันตายเขาบรรเจิดลงกินข้าวก็ต้มลงมาแล้วใช่ไหมแบบนี้อย่างพระพุทธเจ้า พระเจ้าไม่มีความโกรธแต่ลงโทษพระท่นท่า น, น, นไม่ใช่โกรธท่า น, นวันดีินสองร้อยยีสิบเจ็ด น, นี่ไม่ใช่ของดีนะมันโทษนะนกฎหมายตายตัวเขาจับได้หรือไม่ได้ก็ลงถูกลงโทษแล้วไม่จำเป็นต้องจับได้อย่างว่ายัางกฎหมายธรรมดาเนี่ยต้องตำรวจจับใช่ไหมจับได้มีโจทย์ึงถูกลงโทษแต่ว่าสินนี้ไม่จำเป็นต้องจับ ทำปั๊บล่อเลยเอาทันทีกันใดศิลทัสงรยี่เจจะถือว่าโก้ตวคนยีไม่ใช่นางพิสุนีล่อสามร้อยสอ็ดกินกระเทียมน่ะรับเป็นบาสังคาติเศษตายแนว้วฉันชอบกินกระเทียมดองเขาด้วยก็ต้องถูกปรับอย่างหนักแค่ที่ถูกปรับวางโทษว่าอย่างมากก็เพราะว่าต้องการให้พระเป็นคนดีใช่ไหม ไอ้ที่ปรับเป็นอบัตนะิคือว่าอาบัติก็คือบาปคือความชั่วความชั่ว220ข้อในจงยาทําไอ้227นี่7ข้อมนะันไม่ใช่7ข้อเป็นแค่บอกจริงๆ220จงยาทํานั้น220ข้อเนี่ยจะทำนั้นมันเป็นความชั่วชั่วอย่างหนักชั่วอย่างกลางชั่วอย่างเบาแต่สำหรับพระอรหันต์พระเจ้าไม่ทรงปรับ สี่ขาโบธิเบริพิสมาจารย์นี่ช่วยอย่างเบาถ้าช่วยอย่างหนักท่านปรับก็ไปปรับคนที่เขาไม่ทำพระอรหันต์ไม่ทาในความช่วยอย่างหนักใช่ไหมถ้าอย่างเบามีอยู่อย่างหัวเราะเสียงดังเกินไปบ้างนั่งเหยียดแขนในบ้างบ้างเหยียดขาในบ้านบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะ ท, ทีเดินเดินไปหาที่เหมาะได้เจอคนไม่เยงิงเยี่ยวบ้างา น, นี้ท่านปรับอบัติแต่พระอรหันต์ท่านไม่ปรับ ท่านถือว่มีสติสมบูรณ์ไอ้ที่เขาทํำเราไม่ปรับไปปรับที่เขาไม่ทำแต่ดังความช่วเล็กน้อยนะทเทแบบพิสมาจารย์คําว่าพิสมาจาร์หมายความในสิ่งที่ไม่ควรประพฤติแต่มันเรื่องเล็กน้อยนี่ว่าเธอนาคามีภูติแล้วต่อไปให้เปอาลัหันถ้าเธอนาคามีแล้วต่อไปจะเข้าอาลัยหันง่ายมากหม่เจ้าเลยเพราะอะไรไหม เพราะของหนักหมดแค่นาคามีคม่ำเย็นถ้าถามว่าเป็นอะไรยากที่สุดต้องตอบเป็นมระโสดาบันในยากที่สุดเพราะอะไรเพราะจิตมันชินใช่ไอย่างพูดมากบ้างพูดเร็วบ้างความจริงอารมณ์มันชินอย่างฆ่าสัตว์มันเคยตกยุงใช่ไหมจัดก่อปั๊บตกเพีย้ยทั้งท่านเจตนาไม่มีไอ้เจตนาไม่มีถูกสัตว์ตายมันก็บาป จะถือไม่เจตนาก็ไม่ได้เพราะมันมีความรู้สึกความรู้สึกเกิดขึ้นแต่มือมันไวาไปแค่รูปๆมือก็ ป, กกกกปัดใกล้ๆมันก็ไปทีนี้มันชินอาศัยนี่เมริการเคยชินกานรนั่มือสินห้ามันก็ลําบากหน่อยถ้าผ่านมาสวสดาบันไปได้แล้วก็สบายก็เป็นหนักต่อนาคามีม อ, อนาคามีนี่เป็นเป็นชั้นหนึ่งไม่ได้แล้วก็ไม่ชั้นไม่ได้แล้วต้องเป็นชั้นสี่ จับรูปคนรูปสัตว์ทั้งหมดรูปเราด้วยตั้งแต่หัวถึงเท้าตั้งแต่ปลายผมตถึงหน้าเท้าตั้งแต่ฝ่าเท้าทั้งปผมทั้งแบบอย่างนั้นให้มันมีสภาพตามความเป็นจริงว่าข้างในมาสะอาดแลสดปร่ข้างในร่างกายของคนทุกคนที่ทเปียบไว้ในกรรมฐานท่านบอกว่าเหมือนกระถุงแพรที่ใส่อุจาระเต็มและเย็บไฟข้างนอกมันสวยใช่ไหมข้างในขี้เท่านั้น ก็เป็นั้นว่าข้างบนและข้างล่างทุกคนในร่างกายของคนทุกคนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโกี่ยวกายยัะตาตุ้ติเก้สุภกรรมฐานทั้งสองอย่างนี้ทำเรื่อยๆไปจนอารมณ์จิตชินทั้งไม่ติดในอารมณ์เห็นคนทุกคนสัตว์ทุกประเภทไม่แต่ตัวเราเอาตัวเราเป็นสําคัญถ้าไม่ติดตัวเราแค่คนเดียวเราก็ไม่ติดคนอื่นอย่ามองแต่คนอื่นมองตัวเราสำคัญสคัญมาก มองตัวเราเนี่มองยากมองคนอื่นมองง่ายที่ต้องมองตัวเราให้มากมองตัวเร า, วาตั้งแต่ปลายผมออกมาทั้งฝ่าเท้าสาดทั้งสกปรกผมถ้าไม่สาบไม่สางก็เหมือนสาบร่างกายไม่อาบน้ําไม่เานั่งใช้ ส, ชสบู่ก็เหมือนสาบเหมืาามาาอนแสงเฉพาะส่วนที่อยู่ข้างในเอา ง, ง่ายๆแค่น้าลายอยู่ในปากดื่นได้พระบุตรมาแตะไม่ได้ตัเงเกต น, น้ำลายใช่ไหมน้าลายไขรนข้ายโอ้เองมใช่ไหม ถ้าเต่นเข้าไปลึกเข้าไปไมันยิ่งกว่าน้ําลายก็มีอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำหนองค่อยๆ ค, คิดค่อยๆทาจิตไจจะค่อยๆชินจะไม่ยากหรอกถ้าผ่านสิงก ита คามีแล้วไม่ยากนะเบามากต่อมาก็ากถึงการตัดปฏิฆาเกิดเราไม่ชอบใจก็ถือว่าคนทุกคนในโลกก็เกิดมาเพราะหวังความดีทั้งหมดที่ทําความช่วก็หลงตัวคิดว่ามันเป็นของดีเขาจึงทํา เขากดเครืกลับพฤติกรรมที่ไปเอาอกสนแนะนำเขาชักนําเขาแทนที่เราจะเกลียดแล้วก็เมตตาความรักกรุณาความสงสารใช่ไหมสงสารเขาต้องกลับลงอบายภูมิใหม่เป็นต้นสองอย่างนี้ก็หนักก็ไมเบาก็จะผ่านไม่ได้ก็แย่เหมือนกันแต่ก็ไม่นานนะอย่างมา ก, กาสักหนึ่งเดือนก็ผ่านแล้วถ้าผ่านสศกิจธรรมีไม่ได้นะสองอย่างนี้ถ้ายังยังชาที่สุดก็แค่หนึ่งเดือนปลายผ่านไปแล้ว ตอนนี้จะไปอรา ห, ารหรันต์เลยสีีห้าข้อหนึ่งรูปราคาไม่หลงในรูปฌานสองรูปราคาไม่หลงในรูปฌานสามนะไม่ถือตัวไม่ถือตนสี่อุตจิตไม่ฟุ้งซ่านหาอวิชามีความรู้จริงไม่เหมยยากคนขนาดไปนาคาเมื้อจะหลงในรูปฌานเนี่ยมันก็ไม่มีแล้ว ถ้าหลงในรูปวิชาญก็แป็นาคามีไม่ได้ใช่ไหมไม่หลงก็หวังนิพพานแล้วมุ่งนิพพานโดยเฉพาะนาคามีนี่ไม่ถอยหลังวนี่ความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสวยสๆงามนี่มันไม่มีแล้วก็เป็นการหลงใช่ไหมการไม่หลงไม่หลงในรูปวิชาญก็ไม่มีจะรที่หลงในรูปวชาญก็ไม่มีไม่จำเป็นต้องตัดมานหายไปเองที่นี้มานะกันถือตัวถือตน ว่าฉันดีกว่าเธอฉันเสมอเธอฉันเรวกว่าเธอฉันนี้ก็ไม่มีสัตว์หรือคนก็มีสภาพอย่างเดียวกันมีธาตุสีเหมือนกันธาตุน้ำธาตุดินธาตุดมธาตุไฟเหมือนกันมีอุจจาระปัสสาวะเหมือนกันคือคนที่เมตตากรุณาเมตตาสมรักอเมตตาสงสารเหมือนกันก็รวงความว่าคนกับสัตว์สามารถเล่นกันได้นะล้อเล่นกันได้จับกันได้อะไรก็ได้แล้วไม่สังเกตเป็นการตัดมานาที่ดีอย่างพระพุทธเจ้า กับใครลราพระบาทพุทธกุฏิพระบาทพุทธกุฏินี่ท่านเป็นขอทานด้วยเป็นโรกเรือนด้วยพระเจ้ากเทศโปรดท่านไม่ทิ้ตัวที่ตนต่อไปก็มีอุตจกักระม์ฟุ้งซ่านอารมณ์ฟุ้งเนี่ยญาติโยมหลายคนมาถามว่าทําไมอารมณ์ยังฟุ้งอยู่ท่านพระอนาตมักในตอนนี้นะอนาตมักขันฟุ้งเลยใช่ไห้เนี่ยต่อมาก็ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านตัดเฉพาะทิพานโดยตรง เพืจะคิดว่าเราจะค้างอยู่ที่เทวดาหรือพรหมและเพื่อเป็นอาหันต่อไปแล้วไม่มีแล้วเลิกกันพระนาคามีนถ้าเป็นนาคามีตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมไม่ลงมาแล้วต่อเลยหน้าการอย่างนี้ความคิดอย่างนี้ไม่มีในะอาตตอนมักมุ่งนิพพานอย่างเดียวโดยเฉพาะแล้วต่อไปก็ตัดอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้จริงไม่ใช่ไม่รู้เลยนะ รู้แต่รู้มันก็จะจริงนักคืออวิชชายแยกเป็นสองสับคือฉันท่ากับราคะหนึ่งชั้นทะแปลว่าความพอใจความพอใจในการเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นผมไม่มีสําหรับเราราคะความรักในความเป็นมนุษย์เทวดานางฟ้าหรือผมไม่มีสำหรับเราเราต้องการในพานจุดเดียวจิตมีลมตรงพอถึงอารหันต์นั้นเป็นยังไงอ อถึงอรหันต์นั้นเป็นอย่างไงขอตอบถึงอาหารต์นน้เขาเรียกพระอาหานตถูกไหมตอนนี้อารมณ์สบายพระอาหารห น, นี้มีอารมณ์สบายมากไม่จิตเป็นสุขร่างกายเป็นทุกข์ก็ทุกข์ไปถึ ง, งเรื่องร่างกายแยกกันเลยใจกับร่างกายนี่แยกกันคือความรู้สึกทางด้านกายมีแน่ความเจ็บปวดอรหานต์นี่เจ็บมากเจ็บเร็วกว่าบรรดาญาตโยมคนธรรมดานี่เจ็บช้ากว่าพระจิตคิดเรื่อื่นมากไปใช่ไหม เรื่องความเจ็บที่โยงกัดสามตัวยังไม่เจ็บเลยเพราะกาลันึเกเจดายอยบ้านอยู่นึกเจดาไงดีว่าคนนั้นมันว่ากูนกึกเจดายกูนึกเจดายอย่างนี้ยงกัดสี่หตัวยังไม่รู้เจ็บเลยเพราะหันแตะนิดเดียวรู้สึกแล้วแต่ว่าถ้านจแยกกันไปนั่นเรื่องของร่างกายมันมีทุกเวทนาไปเรื่องของร่างกายถ้าร่างกายนี้พังเมื่อไรเรามีใจเราจะมีความสุขเข้าไปในพาน ย้พลาดลหันถืออะไรเป็นสำคัญถือกฎธรรมดาเป็นสาคัญรวมความบ่าเรียนไปนมาเหลือแค่ธรรมดาตัวเดียวหึนังสือตั้งหลายแบบไมไ่ใช่ตัวเกือบตายตาเปียกตาแฉะอดหลับอดนอนแม้ท่องเกือบตายเพรอถือละหันไม่ไใช้ใช่ตัวเดียวคือธรรมดาเห็นใครเขายิ้มให้เขาทำธรรมดาคนที่เขมีความรักในเราก็าชอบพอใจในเราเราก็ยิ้มให้ เห็นใครเานาบึง้งกระทือเป็นเรื่องธรรมดาเนี่เขาไม่ชอบใจเราใช่ไหมวันนี้มีข้าวกินมากเออธรรมดาชาว บ, บ้านเขามีมากเขาก็ให้มากวันนี้มีข้าวกินน้อยก็ เ, เรื่องธรรมดาแ ต, แต่ว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไม่ธรรมดาฮะพระนะแต่ไม่ใช่พระอารหาันนะวันไหนเครื่องบินไม่มาที่ระเบิดตู้งินชาวบินรบาดไม่ค่อได้ข่าวพระญาติโยมเดือนน้อยหนีไปหมด คืนไหนเครือบินมาที่นบอร์ดตอนเช่าไปวู้ใส่กันเต็มหมดแต่เดียวเดียวเต็มบาทพระเลยนั่งภาวนาเครื่องบินมาทุกวันนี่สมัยนั้นจะอยู่กันเต็มนะคนเนรนชอบถ้าเจอบินมาชอบใจว่าฝนนี้ได้ข่าวมากหรือว่าก็ตอนเครื่องบินมาที่นบอร์ดญาติโยมฝั่งวังลครก็หนีไปอยู่ฝั่งทนญาติโยมทางทนก็หนีไปอยู่ฟองโคเจฟลิกไอพวกฟองโคเจฟลิก็หนีอยู่ต่างเงาวัดทว่าไหนเราเช่าต่อไป ไม่รู้ใครกลัวมากกลัวน้อยแต่พระเด่นก็ยังเจ้คุณวัสดุกระชัดนี่ใช้ไม่เินทางเขาจะไม่ได้แต่ฟังแต่จะให้พูดแต่หน้านะ่ะตอนนั้นได้เป็นครูสามบริว่าไปอยู่ระวงอยู่ด้วยกันพอระเบิดลงวัดตูมเดียวเหาะพึกอไปนโน่นเพราะตั้งใจจะไปจะไปบางไท่จะไปแวะที่ที่นนท บ, บุรีไปได้ไปเรียนก้าวที่นั่นแล้เป็นยาวุฒที่นั่นอันนี้เก่งมาก พอจะไม่ได้เข้าวัดเลยไม่เป็นเจ้าวัดเพะเองจัดต้องพิจนักเป็นหนักเป็นพระใจดีมากก็รวมความว่าวันนี้พูดกันถึงเรื่องจบมันก็จบแล้วนี่อย่าลืมว่าถ้าถึงอรหรันอารมณ์ก็มีอย่างเดียวคือธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเป็นของธรรมดาไปหมดถ้าอะไรก็ตามถ้าเรนึกเป็นของธรรมดาทีานั้นเราก็ไม่หนักใจใช่ไหมเครื่องบินธรรมดามันตกได้ใช่นไหมเออแต่ไม่แน่นะ มีน้ำมันชาตรีเนี่ยบางทีตกลงมาแล้วลุกตกตัวปั้บปับป้บ ป, บ ป, บปบเปื้อนไปหน่อยอ <c oughs> <c oughs> อ้าอย่าเพิ่งเลิกดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยันตาเขียวเราเลยฟา น, นิสนะตาเขียวก็อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่จะเอาเรื่องขนมมาไล่ฟังมันหมดเวลาแล้วเทพพอไปพวาวชังเหมืนเดิฉันมปเทศที่วัดไผ่ททหูช้าง ไปตอนเช้าก่อนขอนเพลนไตเขียวก็กินน้ำตอนเมาแกไว้ข้างล่างตํารวจตามจับเคยเอปอกน้ำตาลมาก็บอกตานมาไว้บนยอดตาลจะทําตานด้วยนะแกไปถึงไตกระบอกตานเสร็จก็ดื่นั่งเดินน้ำตาลมาบนคอตานไอ้ลมมามันก็โชกลมแรงมากพืชเดียวกระลื่นพืชประตำตามไอ้ก้านตานนะหล่นตุ๊ก เราสามองค์กันเห็นเพื่อแกหล่นยอะตาลมันสูงมากกัไม่ว่าแย่แล้วต้องวิ่งกันไปเลยตอนนไปช่วยกว่าจะถึงแก่ลูกสะบัดตุกดับแบบแบบเมื่อซ้ายยกมาดูไอ้หาเฮ้ยหกสักหน่อยได้เ <laughs> ส <c oughs> ียดายดังแต่เมาแม่เรางสงสารนี่พี่โยม อ, อุสาววิ่งพระวิ่งก็ไม่น่าดูแต่ว่ามีความจําเป็นใช่ไหมมีความจำเป็นต้องช่วยแล้วความจาเป็นต้องช่วยแล้วถามว่ายอมไม่เจ็บห้วอ ไม่เป็นไรครับแต่เช้ได้นั้ำ ม, มันเมาไม่หกสักหน่อยได้แม้ทำให้โยมมีอะไรพอมีลูกเบาชาตรีนี่เขาได้ลูกเบาทุกอย่างถ้ามันกระทบเข้าเป็นลูกเบาหมดแต่น้ำมันชาตรีที่ทํำนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นยารักษาโรคพระเจ้าตรัสบอกว่ารักษาโรคทุกอย่างโรอันใดคนอย ก, กินก็กินได้แต่กินวันหนึ่งไม่เกินหนึ่งช้อนกาแฟถ้าโรคคนอยาทาก็ทาได้ ให้ปลูกต้นกระถ่ายอิทิเิชิภธาดิมิตังจำได้ไหมจได้อันนี้ใช้ได้คือแทนหมากยังหมากไปเขาหายไปหลายคนเลยยังหมอจจรุนในวันแรกวันแรกฉันมามันข่าวบวมมากมาถึงแล้วขาเยอะขางอไม่เข้าตัวเหย็ดขาเจอกลับไปบ้านนั่นหมอนะหมอจำตัวฉันเกอกลับไปบ้านก็บอกตีนหนึ่งมันปวดจัด เขาจะเามากตะลายกับน้ํามันหมดนกป่านทาก็ตัดสินใจไม่ทา้ากินดี ก, กว่าว่ากินหมากโดยเพราะที่ซาบันนีเดียวมันมันเบาวปวดไปห้องน้ํางอขาได้ตอนเช้าขาบวมหายไปปวดภายในเล็กน้อยพออีกวันหนึ่งกินหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้กลับมามาที่นี่นั่งคุกข่ากราบได้นางพระเพียรได้เพราะว่าอัศจรรย์ที่ควาจริงไม่ต้องเรียนมากกว่านะ แต่ต้พระเจ้ า, าช่วยพเจ้ามาช่วยก็แย่เป็นกันนี่ตานชาตรี่เเยเหมือนกันรักษาโดเดียวกันนะแต่หมากที่ทํยาละหมากที่ท่านบอกรักษาโรเอิดได้ท่านบอกนะได้หรือไม่ได้ฉันไม่รู้ท่านบอกว่าได้ถ้ามันเป็นเอิดเราก็เอิดซะเขาไปโรคเอิกันเ้านั่งหนาวซึมๆนีไหมล้าก็ทําสื้อเอิดะหมดเรื่องหมดราไปอตอนนี้ไปเขาบรรดาญาชนตัางใจสมาทานศีลสม า, ถถา ม, มาทานเป็นกรรมฐาน